เพิ่งพากันตั้งใจทำใจให้สบายอย่าไปกังวลเดือดร้อนอะไรมันไม่มีอะไรที่จะให้ได้รับความเดือดร้อนถ้าลงมันเสียวางมันเสียลงไปเช่นนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไร ที่มันมีราะเหตุต่ามันยึดถือจิตนันแหละไปยึดถือเข้าให้มันถึงมีอะไรก็ดีเพราะฉะนั้นเพื่อมาให้มันเป็นทุกข์มากเราจึงต้องมาฝึกจิตนี้ให้ปล่อยให้วางความยึดความถือต่างๆ ดังนั้นนะการที่มันจะปล่อยจะวางได้ก็เพราะมุง่งสู่ความสงบเป็นที่ตั้งถ้าหาควาไม่น้อมจิตไปเพื่อความสงบแล้วมันจะปล่อยวางอะไรไม่ได้เลยเราต้องเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางจิตใจให้ถูกต้อง คือว่าเราต้องน้อมใจลงเพื่อความสงบอันนี้ถ้าไม่นึกไม่น้อมอย่างนั้นเนะี่ยใจนี่มันจะสงบลงไม่ได้ให้เข้าใจใจนี่น้อมไปทางไหนมันไปทางนั้นน้อมไปภายนอกมันก็คิดส่งไปภายนอกท่านน้อมเข้ามาภายใน มันก็มารู้อยู่แต่ภายในมันจะไม่ไปรู้ภายนอกจุดประสงค์ของการภาวนาเพื่อให้รวมจิตเข้ามารู้อยู่แต่ภายในไม่มุ่งให้ไปรู้อยู่เรื่องภายนอกเพราะเรื่องภายนอกนั้นมันรู้พอแล้ว มันคิดมันปรุงมันหมายไปอยู่ทุกวานทุกวนันทุกเวลาไปซ้ำเป็นไดการที่มันจะมากำหนดรู้อยู่ภายในกายภายในจิตนี่นะมีน้อยเต็มทีเมื่อเราได้นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้แล้วก็พยายามน้อมจิตเข้ามารู้กาย รู้จิตอันนี้ให้มันได้ ม, มาควบคุมจิตอันนี้ให้มันหยุดมันนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนก็ว่าโอ้ยมันควบคุมไม่อยู่หรอควบคุมไม่อยู่ยังไงจิตมีดวงเดียว แดังนั้นถ้าเอาสติเข้าไปกําหนดอยู่ในความรู้อันนั้นนะแล้วมันไม่ไปไหนแล้วจิตนะเพราะจิตมีดวงเดียวถ้าตนมุ่งสู่ความสงบแล้วมันก็สงบลงได้ถ้าตนไม่ยอมสงบมันก็สงบไม่ได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องมุ่งสู่ความสงบ ต้องชอบความสงบมันยังเป็นไปได้ถ้าหากว่าไม่เพ่งลงไปอย่างนั้นปล่อยให้ความรู้สึกรอยๆไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันสงบลงไมได้จริงๆนะมันต้องเพ่งลงไปจริงๆมันจึงสงบลงได้จิตนี่นะไปทำอ่อนแอไม่ได้เลยต้องเข้มแข็งนะ ต้องกล้าหาันไม่หวั่นไหวต่อความทุกขวเวทนาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เราเพ่งจิตน้อมจิตสู่ความสงบเนี่ยมันจะเกิดเวทนาอะไรขึ้นมาก็ไม่หวั่นไหวให้ถือว่าเวทนาก็สักว่าแต่เวทนาไม่ใช่พัดไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไร ต้องต้องมุ่งอย่างนั้นต้องกำหนดรู้อย่างนั้นเมื่อมันรู้ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขะมสุขเวทน า, ทขข า, ขข น, านี่มันไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวแล้วจิตนี่แต่ถ้ามันเห็นว่าเราเป็นทุกเราเป็นทุข อยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็หวั่นไหวอ่าเพือ่อนั้นความสามคัามนมีเขามีเรานี่นับว่าน่าใส่ใจมา ก, มากๆาสิเดียวสำหรับผู้บำเพ็ญเทียนทางจิตใจแม้ใช่นนั้นแล้วใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งไม่ได้จริงๆมันจะไปวันไหวกับทุกขเวทนานั่นแหละมันก็พุ่งซ่านไปแล้วแับนี้ เมื่อมันหวานไหวแล้วเดีย๋ยวนั้นให้เพิ่งพาการรู้จักว่าอะไรทําจิตให้ฟุ้งซ่านนะแต่พ้อตนไม่รู้เท่าเวทนาเาเกิดความเสียใจขึ้นหน่อยหนึ่งก็เป็นเวทนาท่านเรียกว่าโทมณัสสะเวทนาอย่างนี้นะเกิดความดีใจขึ้นมาก็เป็นเวทนา เป็นโสมนัสสะเวทนาเนีย่ยนี้แหละถ้าเกิดความคับแค้นใจขึ้นมาท่านก็เรียกว่าโทมนัสสะเวทนาเนถ้าหากว่าใจมันอยากได้อะไรอยู่ภายในนั่นมีมันยึดความอยากไว้อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็สงบลงไม่ได้ มันก็เกิดเวทนาเหมือนกันเมื่อมันอยากได้แล้วมันไม่ได้สมประสงค์อย่างนี้นะนี่แหละกิริยาอาการของจิตเมื่อมันเป็นอยู่อย่างนี้นะมันจะสงบไม่ได้เลยต่อเมื่อได้ว่ามันรู้เท่าเวทนาดังกล่าวมานี่น ะ, ะตามเป็นจริง ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราแล้วก็เพ่งรู้เท่ามันอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาต่างๆนี่ได้เมื่อให้จิตวันไวไปตามเวทนาต่างๆนั้นแล้วก็นั่นจิตนั้นรวมลงได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นพระบริเจ้าจึงหมายเอา เวทนากับสัญญาเนี่นะเป็นจิตตะสังขารนนะเมื่อสัญญามันจำหมายอารมณ์มันไดหนึ่งไว้มันไม่ยอมปล่อยวางถ้าเป็นอารมณ์ที่หนาเสียใจมันก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นมาอย่างนี้นะเป็นเหตุให้คิดเป็นเหตุให้ปรุงให้แตง่ง ไปต่างๆนานาเมื่อมันจิตใจมันเกิดทุกเวทนาขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นวันนี้เรามาฝึกไม่ให้มันคิดว่าโอ้เรานี่เป็นทุกข์เนอเรานี่เจ็บตรงนั่นเนอปวดตรงนี้เนอเรานี่ไม่มีเงินจะใช้หนออะไรต่ออะไรหมือนนี้นะ ไม่ให้มันคิดไปที่มันคิดไปอยู่นั่นก็เหมือนว่านะมันวนไหวต่อเวทนาความเสียใจความดีใจความลำพึงว่าอันนั้นก็บกห้่องอันนี้ก็ไม่มีเข้าไแล้วเนะ็เอาจิตก็วุ่นใหญ่เลยสงบลงไม่ได้อย่าไปคิดมันคิดมันไปทำไมในเวลาที่นั่งสมาธิภาวนาอยู่นี้ ถึงคิดได้เราก็ไปหามันไม่ได้สิ่งที่ต้องการนั้นนะไม่ใช่เวลาที่จะไปแสวงหาทรัพภายนอกเวลานี้เรามาแสวงหาทรัพย์ภายในกันแต่ต้องเตือนตนอย่างนี้เรามาแสวงหาทรัพภายในคือดวงปัญญานี่จะเป็นทรัพย์อันเปรอ ในทรัพย์เจตประการนั้นก็คือปัญญาแลเป็นทรัพย์อันประเสริฐถ้ามีปัญญาแล้วก็เอาตัวรอดจากทุกได้คนเรานะเป็นอย่างนั้นจะเป็นปัญญาในทางโลกก็ดีมันก็เอาตัวรอดจากความยากจนขนแค่งเงินทองเข้าของได้คนมีปัญญามันก็หาเงินได้ ถ้าเป็นปัญญาในทางธรรมผู้ก็พึทธรรมก็สามารถทมเพนกุศลธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นในใจของตนได้แล้วก็สามารถละอกุศลธรรมให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้ได้สำหรับผู้มีปัญญาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันะมันก็ย่อมรู้จักเลือกเฟ้นนะคนมีปัญญานะ ความรู้สึกหรือคิดอันใดรู้ว่ามันเป็นฝ่ายอากุศลแล้วก็กําหนดละมันไปสอนใจให้ละมันไปนี่แหละเรื่องของปัญญานะความรู้สึกหรือคิดอันใดถ้ามันเป็นไปทางบุญทางกุศลแต่ว่าเราก็คิดในเวลาที่ควรคิด เ, เวลาที่ทําจิตให้นิ่งอย่างนี้ แล้วจะไปคิดเรื่องบุญเรื่องกุศลมันก็ไม่ถูกแต่แล้วเวลาทําจิตให้นิ่งก็ต้องนิ่งจริงๆนะต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนนีเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็จึงค่อยพิจารณาแบบนี้นะต้องการจะรู้เรื่องอะไรก็จึงค่อยพิจารณามันก็ค่อยรู้ขึ้นมา เพราะว่าใจที่ได้พักผ่อนใจที่สงบจากอารมณ์ต่างๆแล้วมันผ่องใสดังนั้นเมื่อเราดำริอยากจะรู้เรื่องอะไรเรื่องนั้นมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจได้มันเป็นอย่างนั้นกรรมวิธีของการฝึกขนจิตเนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างนี้ เมื่อเรารู้ขั้นตอนอย่างนี้แล้วเราก็มาฝึกจิตนี้ให้มันเป็นไปตามขั้นตอนนั้นเอาขั้นตอนนี้ต้องการความสงบต้องการทำจิตให้เป็นหนึ่งเห่นี้มันก็ต้องสะกดจิตลงไปให้มันหยุดคิดนั่นไงเพ่งจิตลงไปให้มันหยุดคิดหยุดนึกไปในอารมณ์ต่างๆ การที่จิตมันจะหยุดคิดลงได้ก็อาศัยการเพ่งนี่นะเพ่งตัวไปหาความรู้สึกอันนั้นนะเพ่งเข้าไปอย่างนั้นแล้วอำนาจแห่งความเพ่งอันนั้นนะมันจะไปข่มจิตนั้นไว้ไม่ให้มันคิดไม่ให้มันพุ่งไปทางอื่นนี่ต้องให้เข้าใจชานังแปลว่าความเพ่งนี่แหละ ไม่ใช่อย่างอื่นใดนะคําว่าฌานนี่นะคือการเพ่งอารมณ์นี่นะจนว่าอารมณ์ต่างๆระงับไปด้วยการเพ่งอันนี้นะว่าสมนะว่าเป็นกรรมวิธีอันสําคัญให้พึ่งเข้าใจไว้เช่นเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะ ถ้าไม่เพ่งแลมสติมันจะไม่อยู่กับลมหายใจเข้าออกใจมันจะลอยไปอันถ้าเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วนี่มันไปนสะกดจิตนันไวจิตมันก็ตั้งมั่นวันนี้มันก็กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใ จ, ใจออกนั่นสม่ำเสมอไปได้เป็น อ, อย่างนั้นเพราะฉะนั้น ให้พยายามจำกรรมวิธีดังกล่าวมานี่ไว้ให้ได้เนี่ยก็เพ่งเข้าไปอย่าไปวิตกวิจารณ์นั่นนี่นี่อก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยเวลานี้เรามุ่งมานั่งทำใจให้สงบอย่างเดียวไม่ใช่มานั่งเพื่อคิดอ่านที่จะทำการงานนั่นนนี่นี่อะไร จะให้สำนึกตนให้ได้อย่างนี้เมื่อกําหนดความมุ่งหมายของตนได้อย่างนี้นะมันก็มีแต่เพ่งลูกเดียวแล้วแบบนี้นะนัทําอย่างไรใจนี้จะสงบลงก็เพ่งเข้าไปในการเพ่งนี้มันมันต้องใจเข้มแข็งนะมันยังทําได้ถ้าใจอ่อนแอแล้วทําไม่ได้ ถ้าผู้ใจอ่อนแอมากก็ไปบริกรรมพุทธโธเอานึกพุทธโธพุทธโธเข้าไปมันก็พอยักยังอยู่ได้จิตนี่นะมันพระพุทธเจ้าก็แสดงกรรมวิธีฝึกจิตไว้มันก็มีอยู่หลายในอย่างนี้ละเพราะว่าจริตนิสัยคนเราไม่เหมือนกัน บางคนกว่าใจเข้มแข็งใจกล้าบางคนกว่าใจ อ, อ่อนอ่นคนใจอ่อนแออย่างนี้จะไปเพ่งเข้าไปอยู่ลูกเดียวอย่างนั้นนะมันไม่ได้มันพลิกไปเลยมันสู้ความเพ่งไม่ได้จิตมันอ่อนผนจิตเข้มแข็งแล้ว กล้าหาญแล้วอย่างนี้เพ่งเข้าไปมันก็ไม่อ่อนแอไปตามความเพ่งอั น, นั้นจิตเนี้ยนป็นไปงั้นอันนี้สำคัญนะถ้าหากว่าไม่ทำจิตนี้ให้สงบลงก่อนแล้วก็ไม่มีทางที่จ ะ, จะเจริญปัญญาวิพัฒนาได้นะจะพิจารณาอะไรก็ไม่แจ่มแจ้งเลย มีแต่พุ่งซ้านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เพิ่งพาการตั้งอกตั้งใจจริงๆถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจในชาตินี้แล้วเราจะไปตั้งใจในชาติไหนล่ะชาติหน้ามันก็ยังไม่ได้ไม่ถึงถ้าไม่ตั้งใจในชาตินี้ ปล่อยใจให้เลื่อนลอยอยู่อย่างนี้ตายจากชาตินี้ไปเกิดชาติหน้าก็ใจกระดวงเดียวนี้แหละมันก็เลื่อนลอยอยู่เหมือนเดิมมันะถ้าปล่อยใจให้เป็นทุกข์เป็นโศกอยู่ในชาตินี้ไปชาติต่อไปก็เป็นคนเจ้าทุกข์อยู่เหมือนเดิมเพราะจิตดวงเดียวนี้ให้ดลึกให้ได้ข้อนี้นะ ถ้าเราฝึกจิตให้สบายสบายในปัจจุบันนี้แต่ว่าไม่สามารถที่จะทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสไปได้โดยการทั้งพวงเนี่ยมันมีการเกิดอีกมันเกิดไปชาติใดก็มักจะเป็นคนใจสบายไม่มีเรื่องกังวลอะไรมากมายเพราะว่าเคยฝึกไปใชาตินี้แล้วอย่างนี้นะ นนเนี่ยถึงอย่างไรอย่างไรก็ทำใจให้สบายกันแล้วกันไอ้ส่วนการบรรลุพักผลธรรมวิเศษนั้นเมื่อมันแก่ท่วนเต็มที่แล้วมันหักเป็นไปเองมันด อ, อกอันนั้นนะเพราะแต่เรามาอบรมอินทรีย์เนี่ยมันแก่กล้าเข้าไปนี่มันสำคัญอยู่ที่อบรมอินทรีย์ให้แก่กล้านี่แหละ ถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าแล้วไม่มีทางแล้มันจะหลุดจะพ้นไปได้ถ้าหากว่าการหลุดพ้นนี่ทําได้ง่ายๆอย่างนี้แล้วผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายมันก็หลุดพ้นกันไปหมดแล้วสินี่ก็เพราะเหตุว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะไปละกิเลสเอาดื้อนี่แล้วมันจะหมดไปเองเลยอย่างเนี้ย มันไม่ได้ต้องพาเพียนพยายามอยู่อย่างนั้นแหล ะ, ะเพียนทำใจให้สงบตรงไปเมื่อใจสงบแล้วก็เพียนพินิษพิจารณาค้นคว้าหาความจริงของชีวิตชีวิตนี่ความจริงมันเป็นอย่างไรมันมีเหตุปัจจัยมาอย่างไรนี่เราต้องค้นคว้า เมื่อรู้เหตุปัจจัยชีวิตต่อเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วเมื่อเช่นนี้ชีวิตนี้มันจะเที่ยงยั่งยืนมาแต่ไหนเห็นได้ง่ายๆว่าเหตุปัจจัยของชีวิตก็คืออัตภาพร่างกายอันนี้มันประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอย่างนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วดินน้ำไฟลมมันเที่ยงมาถต่ไหน่ะ ดินนีมันยังพังไปเรื่อยๆเนื้อมันก็มีแห้งลงไปแล้วก็มีมากขึ้นมาอื่างนั้นไฟมันก็มีไม่ลุกขึ้นแล้วหมดเชื้อแล้วมันก็ดับไปล้มมันพัดไปพัดมาหมดกำลังมาแล้วมันก็หายไปเดี๋ยวก็ตั้งเข้าขึ้นมาใหม่ นี่าธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุไฟาธาตุลมเหล่านี้มันไม่คงที่อยู่ได้แค่นี้ฉันใดาธาตุสีดินน้ำไฟลมอันมีอยู่ภายในกายนี่มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันอย่างนั้นนะมันก็ค่อยแปรปวนวันไว้ทุตโตมไปตามการตามเวลาเอยไปอย่างนั้นส่วนนมามธรรมคือความคิดความนึก ความจําความหมายความรู้สึกอารมณ์ต่างๆโมนี่มันก็เกิดดับไปตามกันแหละพอรูปแตกน้ำก็ดับโบราณท่านว่าไม่มีผิดเพราะน้ำมาทำการอาศัยรูปอันนี้อยู่พอรูปอันนี้แตกดับแล้วน้ำมาทำจะไปตั้งอยู่ได้อย่างไรแล้วกําหนดรู้ด้วยปัญญาอย่างว่านี้นะเราจะเห็นว่าชีวิตนี่ไม่มีแก่นสารอะไรอ่ะ อถ้าไม่มีแกนสาลอะไรแล้วก็แสดงว่าเมื่อมันแตกตายทำลายลงไปแล้วมันก็สูญไปอย่างนั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแกนแห่งชีวิตก็คือดวงจิตนี่ดวงจิตนี่แต่มันไม่มีรูพร่างนี่นะดังนั้นเราจ้งต้องภาวนา ต้องฝึกให้มันสงบลงไปเมื่อมันสงบลงไปมันจึงรู้ตัวได้ว่าโอ้จิตมีลักษณะอย่างนี้รู้ได้ถ้าไม่ฝึกให้สงบลงไปก่อนเรารู้ไม่ได้เลยเนี่ยพอรู้ว่าจิตคืออย่างนี้แล้วก็พยายามประคองจิตนี่ไว้ไม่ให้ไม่ให้มันตกไปในทางต่ำประคองจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมอันสูงส่ง อย่างนี้แล้วก็นั่นแหละคือแก่นแห่งชีวิตนะเมื่อชําระตาสางกิเลสปประธรรมกรรมมันชั่วออกจากจิตรวงนี้ได้แล้วนี่แหละคือแก่นแห่งชีวิตจิตนี้มันก็จะไม่เล่อล่อนไปหาที่เกิดจะไม่ได้สัมผัสกับความไม่เที่ยงกับความทุกข์กับความเป็นอนัตตาของสังขารนามรูปทั้งหลายต่อไป มันก็จะมีอิสระอยู่โดยลําพังตัวเองไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดทั้งหมดเนี่ยท่านจึงเรียกว่านิพานก็เป็นอนัตตานะะคือว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของใครมีอิสระอยู่โดยลําพังตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเผลอจิตเรืดดนี้เข้าไป เราจะได้พบแก่นแห่งชีวิตดังแสดงมา